กรรมานิกระวนติโมหาแปลว่าคนมักทําบาปทํากรรมด้วยความหลงผิดสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องของรอยพระพุทธบาทที่จันทบุรีคือเขาคิดชกูลเนี่ยท่านผู้ฟังพระเดชพระคุณหลวงพ่อเขียนท่านเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อปีพศ2397มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายติ๋ง ในติง่งไปกับพวกหลายคนพากันเดินทางขึ้นไปบนเขาคิดจะปลูกสมัยนั้นมีแต่ป่าทั้งนั้นยังไม่มีอะไรสักอย่างไปหาไม้กีสนาครับไม้หอมเนี่ยกฤสนากะลำพักเนี่ยเพื่อจะเอามาขายตอนที่ขึ้นไปตัดไม้พวกนี้ก็ทำที่พักไว้บนเขาหลายวันตอนกลางวันต่างคนต่างก็ออกไปสแสวงหาโชคลาภกันคือไป ตามหาต้นไม้ไม้หอมนี่แหละวันหนึ่งก็ท่าไหนไม่รู้พากันกลับที่พักไม่ถูกต่างพากันเดินวนอยู่บนเขานั่นแหละหลายรอบวนไปเวียนมาก็มาที่แห่งนี้หลายครั้งยังก็ต้องเหนื่อยอ่อนไอ้ที่ที่ว่าเนี่ยวนไปวนมาก็มาเจอเนี่ก็คืออ่าหินเป็นลานหินกว้างใหญ่ก็พากันขึ้นไปพักเหนื่อยเพื่อนคนหนึ่งคนหนึ่ติ่งก็นอนไปก็ถอนหญ้าไป อถอนหญ้าเพื่อจะนอนพักไม่งั้นจะหญ้าทิ่มหลังก็ปรากฏว่าไปเจอแหวนแหวนใหญ่ขนาดสวมหัวแม่เท้าได้ใหญ่มากเลยเอ๊ะแล้วเป็นแหวนของใครแล้วทําไมขึ้นไปอยู่บนยอดเขาได้แนละ้วมีใครขึ้นมาบนนี้นะมีแต่ป่าทั้งนั้นเนี่ยนะจะนึกดูสมัยไหนสมัยไหนก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละไม่มีสิ่งก่อสร้างไม่มีอะไรทั้งนั้นแล้วทําไมมีแหวนไปหล่นอยู่บนยอดเขาก็ช่วยกันตรวจดูก็ปรากฏว่าเป็นแหวนที่ทํำด้วยนัก พอเจอว่าเป็นนาคเท่านั้นแหละทีแรกถอนคนเดียวปรากฏว่าที่นี้ช่วยกันถอนใหญ่เลยเพื่อจะหาอีกอ่าแสวงหาโชคกันใหญ่ถอนเท่าไหร่ก็ไม่เจออะไรเจออยู่วงเดียวเสร็จแล้วตอนถอนหญ้าสิไปเจอหินแผ่นหนึ่งมีพื้นที่เป็นรอยรูปก้นหอยอ่าเหมือนกับรอยเท้าคนใหญ่ๆอยู่บนหินอย่างนั้นแหละแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรกันมากหลังจากนั้นก็กลับบ้านอ่า ต่อมาในติ่งในนำในปริม่มนําลูกชายไปอุปสมบทที่วัดพลับอําเภอเมืองจันทบุรีประบุลูกชายเรียบร้อยก็กลับบ้านไม่ทันก็ต้องค้างขืนที่วัดนั้นรุ่งขึ้นก็เป็นงานเทศกาลปิดทองรอยพระพุทธบาทจําลองในติ่งก็เลยซื้อทองไปปิดรอยพระพุทธบาทจําลองนั้นในติ่งเองก็ไม่เคยเห็นรอยพระพุทธบาทว่าเป็นยังไงเหมือนกันพอเข้าไปปิดถึงได้เห็น พอปิดก็พูดขึ้นว่าเอ๊ะไอรอยพระพุทธบาทเหมือนกับรอยเท้าคนใหญ่ๆแบบเนี้ยทางบ้านผมก็มีเหมือนกันในอยู่บนเขาลผมเจอเคยเจอมาแล้วทีนี้พระรูปหนึ่งท่านได้ยินท่านก็เรียนให้เจ้าอาวาสวัดทราบสมัยนั้นหลวงพ่อเพชรเป็นเจ้าอาวาสวัดพลับหลวงพ่อดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีด้วยก็เลยเรียกนายติ่งไปต่ถามนายติ่งก็เล่าความว่าเป็นความจริง ว่ามีรอยเท้าใหญ่หญๆเนี่ยอยู่บนยอดเขาจริงๆเ จ, จ, จ้าจคณะจังหวัดก็เลยให้พระไป พ, ไปพิสูจน์ดูก่อนตัวเองตัวท่านเองยังไม่ได้ไปนายติ่งก็พาพระไปนําทางไปไปพบเข้าก็เป็นความจริงอย่างที่นายติ่งบอกก็เล ย, ถถยนําแหวนจากนายติ่งไปวถวมมายเจ้าคณะจังหวัดต่อมาเจ้าคณะจังหวัดก็ได้ไปดูด้วยตนเองไปดูก็เป็นความจริงก็ตรวจ ด, ดูตามบริเวณนั้นทั่วไปก็พบสิ่งแปลกประหลาดและก็สิ่งมหัศจรรย์หลายอย่าง คือรอยพระพุทธบาทเนี่ยเหยียบจารึกไว้ที่ศิลาแผ่นใหญ่บรรจุคนนั่งได้เป็นร้อยกว่าคนนะอยู่บนยอดเขาสูงสุดเลยรอยพระบาทอันนี้กว้างหนึ่งเมตรยาวสองเมตรนะเรียกว่าคนลงไปนอนได้สบายๆแล้วก็ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของรอยพระพุทธบาทเนี่ยมีหินกลมก้อนหนึ่งใหญ่มาก หินก้อนนี้ที่เรียกกันว่าหินลูกพระบาทนั่นแหละนะครับใครขึ้นไปก็เห็นหินก้อนนี้อยู่ตลอดเวลามันตั้งขึ้นมาอย่างประหลาดมองแล้วหน้าแปลกไม่น่าจะตั้งอยู่ได้เลยมองดูแล้วคล้ายๆลอยอยู่เฉยๆแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นคนก่อนๆเล่ากันต่อมาว่าเขาเคยเอาได้สายสินคลองอดึงอันโคลาสิก ข, ข, ข้างนู้นข้างนี้เสร็จแล้วก็ดึงเรื่อยมารอด ก้อนหินนี่ปรากฏว่าหลุดออกมาได้เอ๊ะหลวงพ่อเขียนท่านบอกว่าพิสูจน์ดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มองดูโปรง่ปรงๆคล้ายๆไม่ติดอะไรเลยแล้วก็ยังมีหินอีกลูกหนึ่งใหญ่มากเหมือนกันอยู่ตรงกันข้ามกับลูกพระบาทนี้่าจากรอยพระพุตรบัตรกับรอยพระหัตถ์ที่อยู่อยู่บนหินก้อนตรงข้ามเนี่ยนะครับห่างกันประมาณห้าเมตรแล้วยิ่งแปลกไปกว่า น, นั้น ในก้อนหินนั่นตรงข้ามกับรอยพระหัตย์ยังมีรูปรอยเท้าใหญ่อันนี้เขาเรียกรอยเท้าพญา ม, มารแง น, น่าขึ้นไปมองจะเห็นได้ทันทีสูงประมาณสิบห้าเมตรต่อจากนั้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากหินลูกนี้ไปสิบห้าวาก็มีหินลูกข้างบนเป็นลานจะมองเห็นรอยรถหรือว่ารอยเวียนจะมีรถมีเวียนที่ไหนขึ้นมาวิ่งบนยอดเขาอ่ะคนเดินขึ้นมาก็ลินห้อยแล้วอ่ะ แล้วมีมาได้ยังไงนี่ก็น่าแปลกมากเสร็จแล้วถ้าขึ้นไปยืนบนหินลูกนั้นมองลงไปทางทิศเหนือก็จะเห็นถ้าเตา่าลักษณะคล้ายๆเต่าปลวกต่อจากนั้นก็หันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของรอยพุทธบาทก็กจะพบถ้าช้างนะมีรูปสนะลักษณะเหมือนช้างจริงๆเลยนะแล้วเลยจากช้างขึ้นไปอีกเขาเรียกว่าห้างฝรั่งสองกล้องก็เพราะฝรั่งไปตั้งห้างสองกล้องเพื่อทําแผนที่ตอนนั้น มองไปทางทิศตะวันออกเสียงใต้ยังมีถ้ำหนึ่งเขาเรียกถ้ำสำเพอมีหินก้อนหนึ่งข้างบนถ้ำมีลักษณะคล้ายๆเรือสำเพอแล้วอีกถ้ำหนึ่งใต้พร ะ, ะ, พ, ระพุทธบาทเนี่ยเขาเรียกถ้ำตรุสีที่นี้พระบาทแห่งนี้ทําไมถึงเรียกว่าเขาคิชกูดหลวงพ่อเขียนท่านเลาว่าที่เรียกอย่างนี้ก็เพราะมีชื่อภูเขาในกรุงราชคฤึกในประเทศอินเดียลูกหนึ่งชื่อเขาคิชกูนะ คือฟังแล้วให้มีความรู้สึกคล้ายๆกับว่าได้ไปยังนครราชครึอันเป็นที่ประดิสถานพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าตั้งแต่อืสมัยพุทธกาลนันแล้วก็การไปการมาก็ไม่สูงไกลอ่ะนึกว่าปีหนึ่งเราก็ยังมีโอกาสได้ไปนมัสการรอยพระพุทธบาทครั้งหนึ่งน่ะไม่ต้องไปถึงอินเดียหรอกมาที่จันทบุรีนี่แหละ บาทหรือเท้าเนี่ยนับว่าเป็นอวัยวะที่ต่ำที่สุดของมนุษย์เราแต่เท้าเน่ยเป็นอวัยวะที่สําคัญที่สุดหลวงพ่อท่านว่านะท่านบอกถ้าขาดเท้าซิก็ไม่สามารถจะไปประกอบคุณงามความดีอะไรได้โดยเฉพาะเท้าของพระพุทธองค์ในเป็นเท้าพิเศษและบริสุทธิ์เท้าของท่านไม่ได้ใช้เดินไปในทางสัมมาเลเทเมา ไม่พาไปก่อความทุกข์หรือความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใดไม่ไปทำทุจริตลักช่อหรือพยาบาทปองร้ายใครไม่ได้เดินไปแย่งผัวแย่งเมียใครเท้านี้ใช้ทางดีก็ได้ทางชั่วก็ได้ใช้เท้าไปก่อกรรมทาเข็ก็ได้น่ะเดินไปลักขโมยเขาเดินไปปล้นเข า, าก่อความเดือดร้อนในคนอื่นก็ได้ไปเล่นการพนันไปกินเหล้าน่ะอันนี้เขาเรียกเท้าอปรีจังไรอันนี้ใช้เท้าไปสู่อบายหรือว่านรก ไม่ใช่เท้าก็พาไปติดคุกติดตารางได้รับความเดือดร้อนอย่างนี้ไม่มีใครเลื่อมใสเคารพกราบไหว้ส่วนเท้าของพระพุทธองค์แม้ว่าจะประดิษฐานอยู่แห่งขุนตำมณไหนก็ตามถ้าเรามีความเชื่อมัน่นมีความเคารพกราบไหว้ด้วยใจอธิษฐานจริงแล้วก็ย่อมเกิดผลสําเร็จแก่ผู้นั้นทุกคนแล้วก็จะเป็นสิริมงคลแก่คนคนนั้นตลอดไปด้วยใจอันแน่วแน่ของกระแสจิตของผู้นั้นถ้าไม่แน่จริงก็ขึ้นไปน้มาสการไม่ได้หลวงพ่อว่า เพราะว่าจะต้องปีนป่ายขึ้นไปสูงไม่ใช่เล่นนับจากระดับน้ําทะเลขึ้นไปถึงยอดเขาสูงประมาณพนะันเมตรน่ะจากวัดพลวงขึ้นไปประมาณห้ากิโลเมตรนะครับหลวงพ่อบอกว่าสมัยนั้นถ้าไม่มีศรัทธาจริงๆแล้วยากยิ่งที่จะขึ้นไปได้แม้แต่บุคคลที่กําลังอยู่ในวัยเบญจเพศร่างกายแข็งแรงอถ้าไม่มีศรัทธาจริงจังแล้วยังถอยหลังกลับเป็นจํานวนมากปีละมากมาก แต่ถ้ามีศรัทธาแก่กล้าจริงๆแล้วขนาดอายุห0ส0บเจดสปสก็มีเดินสี่เท้าสามเท้าก็ยังขึ้นไปนมัส ก, การกันปีละมากมากก็นับว่าเป็นที่อัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งสมกับพุทธภาสิตของพระพุทธองค์ที่ตรัสไว้ว่าศรัทธาภาสาทะปฏิทิตาศรัทธาตั้งมั่นอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมสาเร็จผลตามความมุ่งหมายทุกประการแต่ก็เป็นที่น่าเสียดาย ที่มีบุคคลบางจำพวกที่ไปด้วยความไม่มีศรัทธาไปเพราะอยากรู้อยากเห็นหรือไปเที่ยวเพลินๆตามเพื่อนตามพวกอันนี้มักจะถูกลุกเทวดาที่ปกปักรักษารอยพระพุทธบาทแห่งนี้ลงโทษกันบ่อยๆแทบทุกปีเมื่อปี2013ก็มีแต่ไม่ต้องออกนำนหลวงพ่อบอกว่าเขาไม่ใช่ศาสนาพุทธเขาขึ้นไปสนุกกับเพื่อนเขาเขามาจากจังหวัดระยองเป็นผู้ชายเสด้วยเพื่อนๆทุกคนพากันนมัสการรอยพระพุทธบาททุกคน แต่เขาไม่นำมาส ก, การไม่กราบไม่ไหว้ไม่ทําอะไรทั้งนั้นหัวเราะคล้ายๆเป็นเรื่องที่น่าขบขันพอเห็นพวกไปบูชาอ่าก็มองว่าพวกนี้หลงไปกราบหินกราบรอยตีนอะไรทําทนองเนี้ยนะแถมคนอื่นก็ถอดรองเท้าเพามันเป็นสถานที่ควรเคารพอย่างนี้ตามประเพณีเขาจะถอดรองเท้ากันทุกคนขนาดพระเจ้าท่านก็ถอดรองเท้าหมดอ่าเขาไม่ถอดอ่าเดินใส่รองเท้าอยู่อย่างนั้นอ่ะก็นับว่าเป็นหนามแทงตาชาวพุทธเป็นอย่างยิ่งทีเดียว ต่อจากนี้ครู่เดียวผู้ชายคนที่ว่านี่ก็ง่วงนอนอ่าอยากจะ น, นอนไปนอนบนแผ่นหินทางทิศใต้ของรอยพระพุทธบาทห่างไปไม่ไกลแล้วก็หลับไปพอหลับไปเขาฝขันว่าเขาวิ่งลงมาจากที่สูงอ่าแต่ว่าตัวนั้นไม่ได้วิ่งหรอกแต่ขาเนี่ยวิ่งอ่านอนใช้ขาวิ่งอยู่นะอ่าเสร็จแล้วกลิ้งไปกลิ้งมาจนไปกระทบหินหัวแตก หลายแผลสลบไปหลายชั่วโมงเคราะหนุนบุญยังมียังไม่ถึงที่ตายเทวดายัางสงสารยังเลี้ยงไว้ให้คนอื่นได้ประจักษ์แจ้งเสร็จแล้วเขาก็มีความตกใจเป็นอย่างมากทางคณะกรรมการพระบาทก็ช่วยกันผสมพยาบาลพืืนเข้ามาก็พาเขาคนนั้นไปกราบขอขมาลาทั่วที่รอยพระพุทธบาทก็ค่อยทุเลาเบาบางขึ้นแล้วก็กลับไปด้วยความปลอดภยัยนะครับส่วนอีกรายหนึ่ง อ่ะเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนแล้วค่อยพูดถึงอีกรายหนึ่งนะครับมาคุยกันต่อเรื่องรอยพระพุทธบาทเขาคิชกูด ท, ท่านผู้ฟังปีพศออเท่าไหร่ไม่รู้มีผู้หญิงสาววัยรุ่นมาจากอำเภอขลุงจันทบุรีนะ่ะนะหลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องไปออกชื่อเขาว่าเดี๋ยวเขาจะอายปิดไวเป็นความลับก่อนผู้หญิงคนนี้ร่างกาย สโอสดองค์อ่อนแอนแต่ว่าไม่เคารพปูชนียสถานเยียบย่างไปทั้งรองเท้าไม่ถอดรองเท้าทวดาที่รักษาพระบาทก็บรรดานให้มีลมพัดอย่างแรงพัดเอาร่างอรชรของนางในเกือบจะเหาะละลิว่วปลิวคว้างทรงตัวไม่อยู่ไปชนเอาหินสลบไปเม้กันเดชบุญคณะกรรมการพระบาทเขรับเอาไว้ทันถึงกันนั้นก็ยังสลบไปทั้งหลายชั่วโมงหลวงพ่อบอกว่านี่แหละชาวพุทธทั้งหลายทุกคนอย่าได้ประมาทมีโอกาสขึ้นไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วอย่าพลั้งเผลอ ถอดหมวกถอร้องเท้าก่อนเคารพนบนอกกราบไหว้นมัส ก, การปูชนียสถานอย่าให้ลุคเทวดาท่านโกรธอ่าขึ้นไปแล้วก็จงทำแต่ความดีทั้งกายทั้งใจส่งกระแสจิตไปยังพระพุทธองค์เหมือนกับว่าท่านยังทรงมีชีวิตประทับอยู่ต่อหน้าพวกเราอ่านี่ให้เห็นแต่รอยเท้านี่ก็เกิดความปิติแล้วจงอธิษฐานจิตขอให้ได้พบพระพุทธองค์ เรื่องอธิษฐานในสมัยก่อนที่ท่านมีประชนอยู่ท่านในตัสรูเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่าบารมี30สิทัศเนี่ยอธิษฐานบารมีอธิษฐานอุปบารมีอธิษฐานปารมัตตบารมีเรื่องราวของการอธิษฐานเนี่ยมีตัวอย่างมากมายเพราะฉะนั้นท่านถ้ามีโอกาสามีกุศลบารมีได้ขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทแห่งนี้แล้วเนี่ยไปตั้งจิตอธิษฐานให้ดีปรารถนาสิ่งที่ดีที่ชอบของเราตามความพอใจ แล้วกลับไปก็จะมีแต่ความปลอดภัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรุกเทวดาที่รักษารอยพระพุทธบาทแห่งนี้ก็จะอำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายได้รับแต่ความสุขความสมบูรณ์นะตัวอย่างคนที่ขึ้นไปแล้วประกอบจะคุณงามความดีถึงแม้มีอุบัติเหตุก็ไม่เป็นอันตรายคือประมาณสัก20่ว่าปีมาแล้วเนี่ยมีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อหลวงตามกุกอ่าอยู่วังแซมนะตำบลวังแซมอเภอมขามจันทบุรีนะวัดอะไรไมร ก็ขึ้นไปน้ำมัสการรอยพระพุทธบาทพร้อมกับพุทธศาสนิกชนทั่วไปพระเอิญท่านหลบสีกาสีกาเดินมายัางไงไม่รู้ไม่ระวังนะอ่ท่านเป็นพระนี่ท่านหลบหลบพระพระตกลงมาสูงประมาณสิบวาเหมือนปาฏิหารไม่มีอันตรายอะไรเลยนะท่านไม่เป็นไรเลยเมื่อปีพศ .2513 มีแม่ชีจีนคนหนึ่งถือศีลกินเจเดิมอยู่ที่เขาสามมุกจังหวัดชนบุรี เดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ได้เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งอศัศจรรย์ทั้งหลายท่านก็คิดอยากจะอยู่บนยอดเขานี้ตลอดไปแล้วก็ไม่ยอมลงส่วนญาติพี่น้องลูกหลานก็ไม่อยากให้อยู่กลัวจะเป็นอันตรายพร้อมทั้งที่อยู่ก็ไม่มีด้วยมีแต่ป่าอ่าแต่ท่านก็จะอยู่เพราะฉะนั้นลูกหลานก็เลยพร้อมใจกันไปสร้างกุฏิให้ท่านอยู่เป็นพิเศษหลังหนึ่งอยู่ตั้งแต่เดือน3ถึงเดือน7รวม4เดือน แม่ชีคนนี้มีบุญมากถึงกัมีเสือมาอยู่เป็นเพื่อนด้วยแล้วก็อยู่ก่บคนเมืองรับแรงนี่แหละนะไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนนะอยู่คนเดียวอยู่บนยอดเขานี้เดี๋ยวนี้แม่ชีรูปนี้ท่านมรณภาพไปแล้วเมื่อปี2 5ง4หลวงพ่อเขียนพาหลวงพ่อบัวท่านเป็นพระมาจากจังหวัดสุรินมาจำมาสาที่วัดทุ่งสะพานก็มีโอกาสได้พาท่านขึ้นไปน้ำสศการรอยพระพุทธบาทนี่หลวงพ่อบัวเนี่ยท่านเป็นคนช่างวิจารณ์ ท่านเพียงแต่คิดในใจว่าเอ๊รอยพระบาททําไมถึงได้ใหญ่ขนาดนี้พระพุทธเจ้าก็เป็นคนธรรมดาแล้วทําไมรอยพระบาททําไมถึงใหญ่โตขนาดนี้เป็นไปได้เปล่อ่ามันเป็นโดยธรรมชาติละมั้งทําให้เกิดมีรูปร่างคล้ายๆรอยเท้าคนขึ้นมาแล้วก็มองลูกบาทได้ใหญ่โตเหลือเกินไม่กล้าเข้าไปใกล้ลูกบาทกลัวจะล้มทับพอตกกลางคืน อ่าหลวงพ่อบัวที่ว่าเนี่ยจําวัดฝันเห็นมีคนรูปร่างย่อยตัวดําปืดเลยมือถือกระบองมายืนชี้หน้าว่าท่านเป็นสมณะท่านไม่ควรจะคิดผิดควรจะคิดเสียใหม่ให้ดีกว่า น, นี้ท่านตกใจกลัวมากก็เรียกหลวงพ่อเขียนเสียงลั่นเลยหลวงพ่อเขียนก็ถามเป็นอะไรหลวงพ่อท่านก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังแล้วท่านก็พูดว่าผมผิดอะไรไม่รู้ ผมบอเขียนท่านก็บอกว่าหลวงพ่อผิดอะไรผมจะไปรู้หลวงพ่อเหรอไอเรื่องผิดมนะันมีหลายอย่างผิดด้วยกายก็ได้ด้วยวาจาก็ได้ด้วยใจก็ได้เสร็จแล้วหลวงพ่อบวัวท่านก็บอกเมื่อวานเนี่ยผมคิดอย่างนั้นอย่างนั้นอ่าหลวงพ่อเขียนท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อรีบไปขอคมาลาโทษเสียไปจุดทูบเทียนขอคมาเสียพักอีกสองสามคืนก็ไม่มีอะไรนะ นี่ก็น่าคิดอีกอย่างหนึ่งหลวงพ่อเขียนท่านว่าแล้วอีกเรื่องหนึ่งปีสอง8รอยสิบปเด็กผู้ชายอายุประมาณ1ิบ4าสิบสี่ปีเป็นเด็กที่ไหนไม่ทราบไม่ได้ถามเด็กคนนี้จะเอาประทัดไปจุด เ, เขาห้ามเงนก็ไม่ฟังโยนไปในรอยพระพุทธบาทนั่นแหละโคษกห้ามก็ไม่ฟังไม่ช้าไม่นานต่อมาสักครู่มีกรรมการอุ้มเด็กคนนี้ร้องแรงร้องแรงมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อถามได้ความว่าตกลงไปที่หน้าธรรมตรี ถามว่าใครอ่ะเขาบอกเด็กคนนี้จุดประทัศดแต่แหละก็ไม่เป็นอะไรมากอ ะ, อะหลวงพ่อท่านก็ปาดๆเปา่ปาๆให้แล้วก็สั่งว่าทีหลังที่หน้าอย่าซนอย่างนี้แล้วก็ให้เข้าไปอหลวงพ่อบอกว่าถ้าท่านทั้งหลายมีโอกาสเริ่บุญภาวาสนาส่งขึ้นไปบนนั่นถ้ามีโอกาสพักแรมหรือว่าค้างคืนจงพยายามทําสติให้ตื่นพยายามทําใจให้สงบคิดดีทดําดีพูดดีก็จะได้พบได้เห็นสิ่งดีๆหลวงพ่อเล่าให้ฟัง เหตุความเป็นมาของเขากิจกูดว่าเดิมชื่อเขาแห่งนี้ชื่อพระบาทพลวงเพราะว่าตั้งในพื้นที่บ้านพลวงตมบุญพลวงอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีมีชื่ออย่างนี้มาเป็นร้อยปีหลายอายุหลายชั่ว อ, อายุคนแล้วก็อยู่ในความดูแลของวัดพลวงมาตลอดต่อมาประมาณปี2110ท่านพ่อพระครูพุทธบดบริบาลอดีตเจ้าอาวาสวัดพลวงในขณะนั้นอ่า เห็นว่าการทํางานหรือ ว, ว่าพัฒนาให้เจริญเนี่ยท่านลําบากเพราะว่าอายุท่านมากสังขารท่านสุดโทมลงท่านก็เลยมอบภาระให้ทางคณะสงฆ์อําเภอ ม, มาขามช่วยกันดูแลจัดการพระพุทธบาทแห่งนี้ทางคณะสงฆ์ก็ดําเนินการร่วมกันประมาณสปีทางคณะสงฆ์ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่ า, าคนในอยู่ห่างไกลกันมากการสัญจรไปมาก็ลําบากมากการขึ้นลงก็ไม่ชํานาญ แล้เกี่ยวกับไม่มีองค์กรนําขาดปัจจัยที่จะสร้างสรรค์ทําให้ดีเท่าที่ควรได้ควรที่จะเจริญขึ้นกลับเจริญลงเพราะว่าขาดบุคลากรที่ดีเป็นผู้นําไม่มีใครกล้าเผชิญต่อการปฏิบัติงานตัวประกอบก็ไม่มีหลวงพ่อบอกว่าผู้บัญชาไม่ได้อยู่ใกล้ชิดคนทํางานอยู่แห่งคนสั่งอยู่แห่งงานไม่สอดคล้องกันก็เลยไปไม่รอดเวลานั้นหลวงพ่อเขียนก็อยู่ในคณะนี้เหมือนกันแต่ว่าเป็นช่างเท้าหลังไม่ใช่ช่างเท้าหน้า เวลานั้นเป็นพระครูเขียนอยู่ต่อมาปี2 5 1 5ทางคณะสงฆ์ก็ได้ให้ท่านเป็นผู้ดำเนินการพัฒนาพระบาทแห่งนี้ด้วยความเห็นชอบจากเจ้าคณะอำเภอมาขามแล้วก็แต่งตั้งเป็นคณะบริหารขึ้นมาพอามีพระเดชพระคุณท่านพระครูพุทธบดบริบาลอดีตเจ้าวาดวั ด, วดพลวงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลตะเคียนทองเป็นที่ปรึกษาพระครูเขียนขันทศโรหรือว่าท่านพ่อเขียนเนี่ยเจ้าวาดวัดจะทิง เป็นประครูธรรมสารคุณตำแหน่งเจ้าคณาอำเภอมาขามเป็นประธานผู้บริหารแล้วก็ดำเนินงานจากพศ .2515 ก็เริ่มบุกเบิกทางขึ้นแล้วก็นำรถขึ้นเป็นครั้งแรกแล้วค่อยๆพัฒนามาจกนกระทั่งถึงพศ .2518 ก็หยุดเพียงแค่นั้นนะนะบางท่านคิดว่าทำไมถึงไม่ทำเอทางรถให้ถึงพระบาททีเดียวอ่า ไอ้ที่ลำบากลำบากผ่านมาแล้วน่าจะทําขึ้นแล้วจะได้ขึ้นสบายๆคนที่มีผู้ศรู้ผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยเขาจะได้มากราบไหว้กันมากขึ้นแต่ว่าทางฝ่ายผู้บริหารก็ไม่เห็นด้วยอย่างนั้นน้มองคนละมมเขาบอกถ้าสบายเกินไปจะทําให้คนที่ไปกราบไหว้ได้บุญน้อยอาจจะเป็นช่องทางให้พวกมิจฉาชีพปะปนขึ้นไปด้วยอย่างสบายแล้วก็อีกประการหนึ่งอยากจะทดสอบศรัทธาของผู้แสวงบุญว่าจะมีศรัทธามากน้อยแค่ไหนแล้วก็อีกประการหนึ่ง ไม่อยากให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวไปเมื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วสถานที่ที่เป็นที่เคารพ บ, บูชาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็จะกลายเป็นแหล่งมั่วสุมในเชิงลบในสังคมชาวพุทธเราไม่ต้องการเพราะฉะนั้นเราต้องการให้สถานที่นี้เป็นที่เคารพ บ, บูชาของชาวพุทธทั่วประเทศแม้ศาสนาอื่นเราก็ไม่ได้มีกีรติกันทีนี้บางคนก็ถามว่าทาไมไม่เปิดให้นมาสการทั้งปี หลวงพ่อบอกเปิดไม่ได้คนที่พูดอย่างนี้เพราะเขาไม่เคยเรียนรู้เรื่องนี้จันบุรีในฝนตกทั้งปีและอีกประการหนึ่งประเพณีหรือวัฒนธรรมถ้าเราทําอย่างนั้นเท่ากับเราเป็นผู้ทําลายประเพณีวัฒนธรรมของเราเองอเพราะว่าคําว่าเทศกาลเนี่ยต้องมีเขตกําหนดเป็นการหรือเวลาไม่ทาํากันเพิ่มเพื่ อ, อจนไม่รู้จักฟ้าฝนลมแดดแล้งเพราะตามปกติเมืองไทยเรามีพระพุทธบาทหลายแห่งก็จะมีประเพณีเทศกาลเหมือนกันทุกแห่ง เช่นพระพุทธบาทลาพูนพระพุทธบาทตากผ้าพระพุทธบาทห้ารอยหรือว่าพระพุทธบาทสระบุรีเราก็เรียกว่าเทศกาลเดือนสามตั้งแต่เดือนสามขึ้นหนึ่งค่ำของทุกๆปีนะสระบุรีเขานิยอมเปิดปีละสองครั้งประเพณีน้มาสการรอยพระพุทธบาทโดยทั่วๆไปของเมืองเมืองไทยเราเนี่ยก็จะต้องมีกําหนดเป็นกาละว่าแค่นั้นแค่นั้นวันแค่นั้นแค่นั้นเดือนอ่า พระพุทธบาทเขาคิชกูดก็เหมือนกันเริ่มเดือนสามขึ้นหนึ่งค่ำทำกันตลอดมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดสมัยก่อนนี้เปิดแค่สิบห้าวันเท่านั้นอ่ะสมัยนั้นประชาชนยังน้อยแค่สิบห้าวันก็หมดคนแล้วแต่ว่าเวลานี้พระพุทธบาทเขาคิชกูดจันทบุรีนี่เปิดนมาสการหกิบวันหรือว่าสองเดือนเต็มเตม็เริ่มมาตั้งแต่ปีสองพันหร้อยสามสิบหกเปิดสาสิบวันคือหนึ่งเดือนต่อมา ปี 2,537 เปิด45วันคือเดือนครึ่งต่อมาอีกปีหนึ่งเปิด60วันคือสองเดือนเต็มถามว่าทำไมต้องเปิด60วันก็เพราะว่าชาวพุทธเกิดมีความเลื่อมใสามากขึ้นก็เป็นเหตุให้เป็นเงาตามตัวแต่ยังไงก็ตามก็ยังอยู่ในขอบเขตประเพณีอยู่นั่นเองก็ถามหลวงพ่อว่าเปิดมากกว่านั้นไม่ได้แล้วหลวงพ่อ มากกว่าหกสบวันไม่ได้เหรอหลวงพ่อบอกไม่ไหวแล้วเพราะดินพลาอากาศไม่อำนวยให้แล้วฝนเริ่มตกรถขึ้นไม่สะดวกเดินก็ไม่สะดวกอ่านะถ้าอยากจะไปก็ได้จะต้องเดินไปไม่ขัดข้องอาหารการกินบริโภคอะไรเอาติดขึ้นไปเองนะหรือว่าผู้ที่มีความประสงค์จะขึ้นไปปฏิบัติธรรมก็ไม่ขัดข้องก็ให้ความสะดวกแก่ตัวเองไม่ต้องอาศัยคนอื่นนะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเรียนถามอ่าท่านพ่อเขียนว่า ตอนหลังๆเนี่ยมีคนเขาเอาผ้าแดงขึ้นไปบูชาอะไรกันเยอะแยะหมดแล้วก็มีการขึงผ้าแดงไว้ข้างบนนั่นแหะอ่าหลวงพ่อก็ บ, บอกว่ า, อ, าอ่าอาตมานี่แหละใชใ้พระไปขึงไม่เป็นครั้งแรกคือกั้นไม่ให้ล้ำเขตก็ไปข้างในไปกั้นป่าไว้อ่าว่าเลยผ้าแดงนี้อย่าให้เข้าไปนะเพราะว่าคนที่เลยเข้าไปเนี่ยแล้วก็หลงป่าไปหลายคนตามพอจะเจอคนหลายวันอดข้าวอดน้ํานอนในป่ากันหลายต่อหลายคน อาตมาก็เลยสั่งให้พระเอาผ้าแดงไปติดไว้สีแดงในหมายถึงอันตรายไม่ได้มีความหมายอะไรเป็นอย่างอื่นเน่ยต่อมาเจ้ากรรมเ อ, อ่ยมีคนหัวดีไปทําบิธีหลอกเจ้าบ้านอ่าขายผ้าแดงทางวัดไม่ได้จัดไม่ได้ทําอะไรเขาเอามาจากข้างล่างเจ้าของรถบางคนที่เขาจัดทัวร์มาเขาโฆษณากันยังไงไม่รู้อ่าอาตมาจะบอกยังไงก็ไม่ฟังกันขนผ้าแดงขึ้นมาเต็มไม้หมดปีสองพรอยสี่สิบเนี่ย อาตมากเก็บผ้าแดงรวมได้ถึงห้าหกตันเอาไปให้กรมราชธรรมต่อมาก็ลดลงแต่ก็ไม่หมดไปอ่ะเขียนชื่อจดนามสกุลเอาไว้ในผ้าแดงเอาไปขึงไปขอโน่นขอนี่ขออะไรจีปาทะบางคนไปเขียนตัวเลขหลอกเอาไว้เอิญไปถูกหวยเขาก็เรียกไม่ไมหยุ ด, ดไม่อยู่ไปเลยที่นี่ที่นี้ผ้าแดงขึ้นเขาเป็นแถวเลยอันนี้เรื่องมันเป็นอย่างงี้ แล้วยิ่งกว่านั้นน้องใหม่หรือว่าผู้ที่ยังไม่เคยมาได้ยินรุ่นพี่พี่เขาพูดพูดขึ้นไปพระบาทไปไม่ถึงพระแดงสแสดงว่าไปไม่ถึงพระบาทวะโดไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าอย่าให้เลยพระบาทนี้ขึ้นอย่าให้เลยพระแดงนี่ขึ้นไปเดี๋ยวจะหลงไปในป่าแล้วตามไม่เจอเพราะตรงนั้นป่ามันทึบนะได้ยินนะหลวงพ่อบอกได้ยินโคศกมันพูดที่รถทะงมงายไม่รู้ข้อเท็จจริง ไม่เคยศึกษาเรื่องพระบาทว่าอะไรเป็นหัวใจของเขากิจกรูดพู้ทรงเดชพูดเรื่อยเปื่อยคนที่มาใหม่ก็หลงขึ้นมาแล้วไม่ได้กราบไหว้พระบาทก็มีกราบไหว้พระแดงนะอ่าอย่างนั้นไม่ต้องขึ้นมารอพระแดงไปขึงที่เอที่ประตูบ้านก็ได้อ่าที่รั้วบ้านนะแล้วก็นั่งกราบนั่งไหว้อยู่ตรงนั้นไม่ต้องมาที่เขาขิจักรูดหรอกจะกราบผ้าแดงนะอะมาไหว้พระบาทดิอะเออ คิดว่ารอยพระพุทธบาทได้อยู่ที่ผาแดงนะี่ยังไงผลสุดท้ายหารอยพระบาทไม่เจอก็เลยไม่ได้ไหว้พระบาทอย่างนี้มาแล้วขาดทุนนะไม่อยากให้นักบุญทั้งหลายขาดทุนอะไรเป็นบุญสุดยอดของเข า, ากิจกูดนี่อะไรเป็นหัวใจของเขาคิจกูดก็รอยพระพุทธบาทนี่แหละเป็นสุดยอดเป็นหัวใจนะอ่าเลยรอยพระพุทธบาทนี้ขึ้นไปก็มีเป็นสิ่งประกอบไปไหว้ก็ได้ไม่ไปก็ได้แต่เห็นว่ากําลังดีไปได้ก็ไปนะ แต่ถ้าไปไม่ไหวก็เอากันที่ร้อยพระพุทธบาทนี่แหละถึงแน่นอนมาแล้วไหมค่ะทุนแน่นอนจะไปไหว้บาตพระอานนท์ไหวพระโมกคลาไหวเสมาธรรมจักไหว้หินบาทภาษารีบุตรได้บุญนะได้อานิสงศ์แต่จะเอาผ้าแดงมาเป็นหลักหรือเป็นสรณะนั้นไม่บางควรเพราะว่ามาอยู่ในไข่ของอาตมาแม้แต่นิดเดียวเนี่ยหลวงหลวงพ่อเขียนท่านบอกนะครับหลวงพ่อเขียนน่งยังแถมอีกนะนักบุญทั้งหลายจะพาใครมาช่วยบอกเขาหน่อยนะ อย่าให้เขาหลงไปแล้วขาดทุนอ่าอะไรตรงไหนเป็นบุญสูงสุดก็บอกเขาแนะนำเขาเ็เป็นน้องใหม่อาจจะไม่เข้าใจสถานที่แห่งนี้ไม่ต้องซื้อผ้าแดงมาซื้อดอกไม้ทูกเทียนทองเปลวมาก็พอไม่ต้องซื้อผ้าแดงอจะชวนใครมาแนะนำว่าอะไรควรใช้อะไรไม่ควรใช้แล้วก็อาตมาจะอนุโมทนาสาธุด้วยยังมีที่แห่งหนึ่งบนนั้นที่แปลก ท่านผูฟังรอยพญยาเสือครับบางคนคงจะเข้าไปเห็นแล้วแต่บางคนก็ยังไม่เคยรอยพญาเสือที่ใหญ่ที่สุดในโลกรอยพญาเสือเนี่หลวงพ่อเขียนเป็นคนพบเองเมื่อปี2515วันหนึ่งฉันเช้าแล้วมีลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อในปั๊มลงไปเที่ยวในถ้ำนะตั้งแต่ถ้ำช้างมุดลงไปเรื่อยๆการลงไปเที่ยวในถ้ำนี่ต้องใช้เทียนจุดสองทางใช้ไฟฉายไม่ได้เทียนจะมีแสงสว่างได้ไกลในถ้าลึกๆ มีความสวยงามมากนอกจากสว่างได้แล้วยังเป็นประโยชน์อเพราะว่าถ้าหากว่าบางทีไปหลงเนี่ยอ่าไปหลงตรงไหนเราสามารถกลับที่ได้เพราะน้ําตาเทียนตกเป็นทางไปหยดไปเรื่อยเรื่อยขนาดใต้ยังสู้เทียนไม่ได้เพราะใต้ไม่มีน้ําตาอไม่มีน้ําตาเทียนหยดคนโบราณ น, นี่เขาฉลาดเขาใช้เทียนเข้าถ้ำกันเสร็จแล้วก่อนพศ25งพสสิบห้าตอนบ่ายไม่มีคนก็จะพายโยมเข้าชมในถ้ำถ้านี่นมีความร่มเย็นมากอ่า ก็พบรอยพญาเสือก็พราะคนทำนี่แหละคนไปเรื่อยๆพอถึงถ้มเสืออาตมาได้ยินกลองเพนตีเวลาตุ้มตุ้ ม, มได้ยินดังมากมันก้องในถ้ำเด็กของนายปั้มก็ถามถามว่าได้ยินเสียงอะไรไหมนายปั้มก็บอกว่าได้ยินนะได้ยินเสียงกลองเพนอาตมาก็เอานาฬิกาขึ้นมาดูก็พอดีอ่าสิบเอดนาฬิกาพอดีอาตมาก็บอกว่าถ้าอย่างนี้ต้องมีวัดอ่าตรงนี้ละ่ะ เดี๋ยวกลับไปฉันเพลนแล้วมาค้นกันใหม่แล้วกลับไปฉันที่ประบาดฉันเพลงเรียบร้อยพักผ่อนพอสมควรบ่ายมงลงไปค้นหาจะไปองคเดียวลูกศิษย์ไม่ได้ไปด้วย อ, องเดียวเที่ยวหาอยู่พอสมควรไม่พบก็หาทางปีนขึ้นไปบนลูกหินเพราะเห็นว่าหินพญาเสือนั่นกลมๆน่าจะมีอะไรสักอย่างก็ปีนลอดขึ้นไปพบมีรอยพญาเสือเหยียบหินยุบ คิดว่าต้องเป็นพญาเสือเสอือธรรมดาไม่มีอภินิหารเป็นเสอือไม่มีบุญเหยียบหินไม่ได้แน่อัตามาก็อธิษฐานต่อว่าต่อไปในอนาคตขอให้ข้าพเจ้ามีบุญมีอภินิหารมีอำนาจใครเห็นใครทักใครเห็นใครรักใครเห็นก็เกรงขามมีความศักดิ์สิทธิ์คิดอะไรพูดอย่างไรจะทะําอะไรก็ขอให้ข้าพเจ้าทำํำสาเร็จทุกประการแล้วอัตามาก็เดินลอดถ้ำขึ้นลงต่อถึงถ้ำเตา่าแล้วก็ไปพบพระพุทธรูปเป็นหินอยู่ถ้ำเตา่ามีรูปลักษณะไปทางพระอุปคุด ก็ให้ชื่อว่าอุปคุธยังไม่เปิดให้ชมเพราะว่าทางไปลำบากมากอ่าแล้วต่อไปโอกาสหน้าก็คงจะต้องหาทางเปิดให้ประชาชนเข้าไปกราบไหว้บูชาท่านผู้ฟังจำนวนของคนที่ขึ้นไปนะ้มัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิดชกูรในแต่ละปีเนี่ยนะครับท่านพ่อเขียนท่านจดเอาไว้นะครับปี2544ยจนถึงปี2550นนะครับเมื่อปีที่แล้ว ปี2544มีคนขึ้นไปทั้งหมด1 4 0 0 0 0 0ันคนปีต่อมาแส0 0 0 0 0กว่าคนปี 6, 2องพ3 0 0 0 0 0หกนว่าคนสอ4พัน0 0 0รนหกว่าคนสอ4พัน0 0 0รปีกว่าคนปี2องพั4 0 0 0รกว่าคน ปี 2,550 ครับ 600,000 คนท่านู้ฟังนะเมื่อปีที่แล้วนี้ยังผมยังไม่ได้จดมาคนที่ไปเที่ยวกันที่นี่จะต้องจอดรถนำเที่ยวเอาไว้ที่วัดกระทิงที่นั่นก็มีห้องน้ำห้องส้วมสะอาดกว้างขวางอ่สะดวกสบายใครเมื่อยใครเพลียก็นอนได้ตรงนั้นแหละฟรีไม่เสียจังหรอกแล้วก็จัดให้เป็นจุดทำบุญสร้างกุศลก่อนที่จะเดินทางขึ้นเขา มีร้านค้ามีสินค้าที่ระลึกของจังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดต่างๆมากมายสําหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางขึ้นเขาที่จะกูดก็สามารถขึ้นรถบริการซึ่งมีทั้งรถยนต์ที่ดัดแปลงทดเพลิงพิเศษนะครับแล้วก็รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อที่ขับโดยผู้ชํานาญเส้นทางขึ้นเขาเป็นพิเศษก็ไว้ใจในความปลอดภัยได้การเดินทางโดยรถยนต์แบ่งเป็นสองช่วงช่วงแรกระยะทางประมาณ4กิโลเมตรครึ่งนะครับค่ารถ40บบาทระยะที่สอง ประมาณสมกิโลเมตรค่ารถห้าสิบาทก็นับว่าคุ้มมากเมื่อเทียบกับการเดินขึ้นเขาแล้วก็รถยนต์ที่ได้รับการปรับปรุงดูแลอ ย, อยู่ตลอดเวลาตอนที่เริ่มงานหลวงพ่อท่านก็ทำพิธีปิดป่าเปิดงานน้ำมสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชกูรก็มีพิธีบวงสวงก่อนถึงวันงานสามวันนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆร่วมกันจัดพิธี เพื่อขออนุ ญ, ญาตให้พุทธศาสนิกชนที่เดินทางขึ้นไปสแสวงบุญบนยอดเขาคิชกุตเดินทางด้วยความปลอดภัยและก็ขอให้สัตว์ป่าที่เคยอาศัยอยู่หลบหลีกอย่าได้พบได้เห็นเป็นอันตรายแก่กันตลอดช่วงเทศกาลจัดงานนะครับก็มีโอกาสมีเวลาไปกราบน้ำมสการนะครับนมการรอยพระพุทธบาทที่มีความสำคัญมากสาหรับชาวภาคตะวันออก